จำเขาได้กจนะจสะจะว่าไกลไาไปเล มอม่นะไม่ไ <Yeah. S 1> <that 's not accessible> ่นแล้วก็รอไปก่อนพักไก่อนนะพัก the ก่อนมีความคิ้กคุณเป็นกนต้องร้อกไอ้น้กรอลจะของของกเราไก่อน่่ตัวต้องดายากเดือดร้อนมาจากต้องรกันไ่ากบ่าคด้าทาจะทอะไร เจลาเขาทำองเองเขาไปาให้ทำเพื่อเวตา้งไรไม่คิดเวลาจะไม่เคยคิดอย่าจะกึนปาตัวนี้ทข่นตู้อยากกินเป็นนิขึ้นในข้าจะตุ๋นเห็ดปจาิถ้าทำอย่างนี้จะเกิการปวยไข้มันสบายใช่ถ้าเขาหายต้อกระโม่ของก็ามา เธ้ยเลยของเขานะยนะนนี้นปกคองว่าได้ม่ายากสอนยากพราะเพืการเมียและลูกต้าว่านอสอนดื้อก็พือการเพืการเมียโอ้แม่เฮ้ยเราไม่บอกให้ผิดจะมาผ่านกอนก็ดีสบายใจนะถ้าพูดดีเขาไม่เชื่อเพราะ่าาษาบานเป็นโรคปดหัวเรคปัะสาทเป็นโรกบ้าเขาดึงสารเมรไร อย่างย่ออย่างย่อนะอย่างพิเศอย่าพิยาวีมากรยังม่พิาราเยอะแยะอแต่พิาาพี่ผมนเีย่เไราไม่ใช่วกินเบียรไม่เป็นไรห้ามกิของเมาเบียเมาไหมอ๋อเาเลือกใ่หรอเ่าเบไม่เมาคนเมาไจะเล่นนเนพุทธพุไปตรงมา ก็ไปลารักามเด็กกุหลก็จะรัชสาุทรพระจิตรุมาเจือเปือโบราณมาเจือเปลือกภาษาต่อแต่ว่าไอตอนพระสาวเข้ามานี่สิโอ้โหมันน่าตื่นเต้นจรงจริังงเลยเกือร้อนจุกทุบไวก่อนแต่ไม่เป็นไรลูกเจ้าสวรรัชาลเป็นข้แล้วว่าพระสาวเขามีอะไรเกิดขึ้นเขาไปถ้าหลงกองแล้วกัน พอ่กใหญ่ลูกมีมูลน้อยที่เรียนภาษาอวอย่างี้เลยว่าตอนนี้ไรลูกควรจะทามุลแบบไหนจะปฏิบัติธรรมประเภทไหนจะไมต้องเจอกาเขาไปทาอกลับไปบ้านนะตักเสาทิ้งให้หมดออนี่แาว่าเสาัสากเอาทําไม่ก็เสาสิได้เย ตั้งท่าตรงจะแบบมารดามันไม่เจอไม่ได้หรอกเป็นกฎของกรรมาไอ้ตั้งท่าเขาอต่ามาจะกดของกรรมถ้าหัวใจขาดเ้าจะเคราะหถ้าทางพุทธศาสนายกกฎของกรรมอันเดียวกันไอ้พ้นพระพุทธเจ้าอย่าไปล้วใจ่ะพ้นไง หมอเองแหนะแหนะเหมือนกันแหนะแหนือนกันจะรลูกเอลูกขอาหาหลวพ่อดีก่าเนาะแลวก็่าหเออไม่รู้ว่าลูกจะมีกรรเอะไรทุกเดือที่ลูกมาสนของักสว่ว่ว่าเป็นอะไรหลวพ่อก็ให้พที่แย้เสีไสาคราวนี้พอลูกมาได้เวลาหลวงพอเป่าจะนักงอดีแลหลวงพ่อไปได้พรลูก ไม่รู mean, so ้ว่าจะเป็นาเหตุนี้ทั้ใก็ไม่ทราบขณะนี้ลูกไรู้สุดไงตอนลงตอนลงไปด้วยเลยอะไรก็เดียวเดียวทำไมเพื่อนหน้าก็ิ่งโตพวกนี้แหละถึงมารักโอ๋ระธรรมดายอมได้เอาอะไรเ็นการเศรษฐเป็นมหสเศรษฐีแบข้างงินจงเลยข้าวจะมีเจ้าตองจตายข้าว ถ้าตอบางก็เลยใหม่ให้กดขึ้นคำเข้ามาริดร้อทคำแช่ก่อนนะเขอธรรมดาตอนพูดตนลงเราะลงตัวลงว่าฝากเก่าใช่ใช่ใ่โอ้แ้งาเขหมดแล้วใจเย็นๆเลยสนุปถามว่าพ่อดังใจอะไรเธอเ้อลูกภูเขาเาเงินไปลูกจะทำบุญแบบไหนุณจะได้เงินอเยอะนะโ้ยนง่ายสุดเดียวเเอไปเียตอยไม่ไ้กินเงินเ้หวย พอไม่มีที่ทำมาคืนเ่ใช่ไม่หวยถ้าโูษก็ไล้คืนไมู่้กก็กินต่อไปปก้อออะไรถามเลยไม่ตอบไม่ได่ได้ม่ได้ไอ้เรื่องเนคืที่มันอว่ามีโอกาส้งบนนก็อใช่ไ่อาารทานเราโกงเขาก่อนแล้วเขาก็มาโกงทวงทีหลังถ้า่านี้ก็ไม่ยใครจะช่วยเหลือมกใช่ก่อนนั่นทำไมต้อคิดอะ อวบ่ า, า, บาเขาไว้ตันนี้ไปยึดเเขาเขาเกิดจิเสิเขาไม่ได้ต อ, อเดี้มวบบน่องขอข้านึก่อนการก่อนนะใช่ใช่่กาก็ยอมรับนะจะได้สบายใจรักพ่อสุดวารบการสงเมื่อ ว, วันที่เจ็ดเจ็ดเด่อนมาเดเ็ดือนไหนนะนั่น่อหรืออย่างนีขอของง้จะได้าสาธุขรลกที่น่าดัลงนามะคุณขอเสียเกิด เป็นโชคีตกลงมาสากทีสงศ์พายเดี๋ยวดีแน่ใจเลยนะทีนี้ไี่จะถามถามอนี้ว่าวันนี้ลูกได้มาถวายสารพานสองตนสาเหตุของลูกจะเป็นคนที่ไปเจอศาสตต่อภรรยาและลูกเมียปจัมากการที่ลูกถวายสรพชาให้คนที่ไปเิอศาต่อลูกเมียจะได้หรือเปล่าไหมะ ไอ้ตอบไอถามอะไรนิดน <ooo> ึงก no e ็ตอบยากเลยสงสัว่าแกคงจะโกรธหรือรนะน่ากลืเอ๊ะนสงสัยเขาถามให้เขาโกรธเลนเนี่ยห้าตอบไม่ได้เขาได้ไม่ได้เนี่ยถ้าเขาโบทนาได้เขาได้เขาโบทนาไม่ได้เขาก็ไม่ได้คำตอก็อยูตัวผู้ตายจับมโนนาหรือไม่ใช่ใช่ บางทีกลาวันร้องาแต่เวาูมเนี่ด uh ีกว่าดูักกระเบียปฏิานได้เออไม่น่าเสื่อวันนี้จะขอหนึ่งเปล่าไม่ราบวันนี้ก็รอยานแต่กันใ้ดูดบัญชีของตนเองเป็ีทองคาแต่ถงแม่เป็นสีดาเลยต้องหาทางแก้ทางพระเป็นจะแก้อย่างไรฉันต้องให้พระมาตักเคยคนหนึ่งสอบสวัสดิ์นาราณ์ช่วยแม่ แม่ยังไม่ตายนะยังไม่ตายแต่บางทีเป็สีดำขาขอ้อความโน้มตรนี้ด้วยสีพรก็สีดำดิ่อมาต่ไปไหนอ๋สีพรธรรมดาที่ปกติถ้าสีพรชัดๆจะริพันแม่ถ้าสีตะเมินนะสวรรค์แม่ที่ดำลงแม่ลงไหนทรงบ้านกทรงอ่ะแต่ถ้าผมก็แบ่งให้แบ่งขนาดตัวนี้ก็ไ้ ลงแน่พอเราดีนยังมีโาสที่แนะนำขี้แดงลงลึกจัดออดไวันที่ือแล้วเราไม่ไ้เลีมาคุกไม่ตลอยไปลอยขี้ไม่ผลน่าไปยังจำไ้ไจะใเวลาถวายของขีแดงนะเอาขีทองเอา้ม่วงอะไรทองอย่างน้คดีัดี เห็นว in ่ะ <kav> ม <wan Yin> ันเย็นเย็นตาทุกคท่า้็นเสื้อ้าม่าทางพอเป็นกระดาษถงพวกนั้นอ่ากกราบิกระดาษกรโอ้แล้วเยก็กระดาษใช่ไมันเป็นการปลอมแท่ไม่ได้โอ้สมองแห่นะแห้ใจที่ารจะอยู่ตพระองพ่อเปนประหลากอย่าหนึ่งือว่าลูกไม่สายไม่ได้อยู่อย่างหนึ่ง คือว่าต้นลายต้นดีกางลายคร่ไดีมากต้นีเนี่ยดีปัญหาทุกอย่างมหาวิทยาลัดีหมดอย่างเทวทัศน์ไงต้นดีปายโคตรมีเสนเียหมดหรือวหมดดีลูกาวว่าอย่า้ลูกสาวพ่อละป้าตัวไหนครั เวลาฟังหลวงพ่อแทรกไใหม่อุ้ยมันไป็นเขาจริงเขาจริงโอมัฏิวัดขั้นเซ็งนั่งรู้หลักตาไมเลยแต่ว่าพอหลวงพ่อกลับไปแล้วสิคระบอู้ยจิตทะเลวยยังพี่ทำร่นความวุ่นวต่างนานาอารมณ์ย่างนี้ลูกแค่ไม่สบเลยจะขาดเพราะ่ารมีหลวงพ่อสดในความสว่างกระจางใสคนลพระเาก็ดีแล้วนี่ดีแล้วนแล้วดีทาไมเรกลเวลาัเทศจิตเขาดีแตทำไมจเขาไม่ดี ไอ้ที่เขาพูดไม่หมายถึงว่าตอนตี่เราพ่อกลกบไปแล้วเส็จไม่ดีก็ทช่นนั้นล้วพ่อมาดีใหม่ไ็ยังดีดีวะแต่เราจะตายความดอาจจะเท่าถึงตัวได้นะถ้าเราจะตายธรรมดาคนเป็นงั้นแหละแค่ดีทุกวันนมันไม่ได้แร้วต้องดีบ้างโชคบ้างทาความดีครัน้อยแต่น้อยจะทำบ่อยๆก็เต็มฝนน้าฝนตกคืออยากอยากสามารถทำพิชิตเต็มได้ใช่ไหมอย่างเนี้ย กี่หลวพ่อมามีปีติไอ้ปีติตัเนริมขันมากเป็นมหาอุศลแต่จำจะ่าลืมนว่าเวลาจะตายเนี่ยมันจะช่วยปีติไม่จะช่วยว่าปีติเขาช่วยเขาสมน้องใจปั๊บเ็นภาพพระทันทีนี่ตายแบบที่หลงงนึกไม่ได้เอาเรื่องกันตัดก็แก้ตัวใหม่ก่อนจะหลับภาวนาพุทโธสามครั้งตขึ้นก่อนจะลุกขึ้นภาวนาพุทโธสครั้งเท่นี้พอแล้วเอาแค่ฉันว่าเป็นเด็ก อ้าฉันโล่กับเด็กแม่มาคับแค่นี้ก่อนจะหลับหัวถึง่อนตักภาวนาพุทโธตบ่าให้ดังๆังนะให้ท่านได้ยินพอตื่ให้ตัพุทโธพุทโธก็ตัวเราใส่นว่าการภาษาเด็กอ๋อนี่คือมีแค่แบบรบายใช่ใช่แล้วประกอบด้วยหัวใหญ่ใหญ่ยังรู้ไหมเป็นยังไงก็หลับแกน่อยยุติของคายแล้วเวลาตาย แล้วก็เอาไปยืนหลังด้านเวลาตายตรงนี้นะก่อนจะตายนะขณะที่ไป้ยวยอวิวาพร้องถ่ายสารครั้มหมดแรงใช่ไหมแม่ก็ บ, บอกว่าภาวนาพุทโธไวเขาก็พูดเขาต้รู้ก็ตั้งเห็นตัวนะะเขามองเห็นก็เล็กภาวนาพุทโธมันก็ไปหายแต่เวลาตัวเห็นธาตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น น, นาทีสุดท้ายเป็นเหมือนพระสงฆ์รูปสวยมาก นั่นเราได้สึกก็มีความรู้สึกตัวแล้วออกจากตัวนี่ตอนนั้ออกก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่ายืนอยู่แล้วไอ้ตัวนี่เป็นแก้วใสข้าเครื่องกระดับเป็นทองคําอาวุธกระดับจริงนะยยขยับแขาขยับขามันเบาหมดทุกอย่างเนี่ยตอนธรรมดาก็อยู่บ้านถ้าเขาจะลงข้างล่างหม่อยู่ข้างบนตน้องขออนุญาตท่านถ้าอยู่ข้างล่างจะซิ่งวนต้องขออ น, นุญาตท่านนี่เราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็มองดูไอ้คนนั่นเดี๋ยวนอนอยู่นะ ไอเห็นร่างกายเราเราเกลียดนะไม่ชอบกระปกุกไม่มีความต้องการไอตัวใหม่เปนสวยกว่าน้าเนื้อเป็นแก้วในชะ่ไหมเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้าเป็น้องครับเนื้อดับด้วยเพชรสวยมากแล้วก็เ บ, บาทุกอย่างก็้ถึงเวลาท่านก็ไม่มีใครพูดด้วยขับลงได้คนตายนาทีถัดก็ออกไปยืนหลังบ้านเห็นคนเดินมาจากทางทิศใต้ประมาณสองรอยคนเศษ ดินคตัวใหญ่หใหญ่เดินนองหน้าถ้าตัวใหญ่สองตัวเดินค้ า, า, าตัวเดินหลังให้โชวดาให้ตัวเปล่าเ <c oughs> ดิแต่ว่าคนใหญ่แต่คนทั้งหมดหัวแค่เอวเลยพอเดินมาถึงฉันก็เข้าไปยกมือไหว้ถามว่าคุณลุงครับคุงจะไปไหนให้เปิดตะกีพักไอ้ลู้ไม่มีระไปทีกลับบ้าน แล้วแค่้เมนบาแล้วดีแล้ไห่ใจนะ่เก็ลากมือเลยนะลากมือไปขึ้นดถึงเ่อดแค่ปล่อยแต่เราก็ตามไปอีกถ้าคนถ้าคนคงกลางก็ถามอแค่ว่าอย่างนั้นมาเขาทายกเหมือนกันในที่สุดคิดว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วเจ้าต้องรู้ให้ได้ต้องตามไปดูเดนไปนั่เดิน น, ด น, น, นนี่กันเนี่เดินนี่เนกันนยไม่ได้ทิ้งก็เป็นเว่า เขาเดินไปก็ขิ้จะนวายห้ห่างประมาณสักนกิโลใช่ไหมถ้ามาเดินตามไปเข้าป่าเล็กๆบ้างป่าใหญ่บ้างเป็นเขาเล็กบ้างเขาใหญ่บ้างไปลำบากนะแต่พอได้ไปสุดก็ถึงเขาใหญ่ยาวเลียดไม่รู้ัิญญาณคนไหนสูงมากนะหัวหน้าเขากลางมาชีคนก็เดินขึ้นไปเขาับหนึ่งสองสามครบสองร้อยเสร็จเขก็บอกครบเราโบหัวก็ดีเขาก็ถามไอ้หลวงว่าทำไมก็ผมถามหลวงแล้ว แล้วลงไปไหนลงไม่ตอบผมนี่สัยของผมถ้าผมรู้แล้วยังไม่รู้อะไรต้องรู้ให้ได้นี่ไป็นนี่สัยแทนได้เรียกว่าขี้ดูออกนุน่นตัวอะไรนุ่นที้ดังอีดา้านเนของเขานะมีอาคารสามหลังแล้วมีคนคนยืนมือกลุ่มกลุ่มประมาณร้อยคนเศษแต่ละกลุมก็เป็นคนโตโตแหะจังถือเ้าวบ้างถือขอมั่งถือกระบองใหญ่บ้างคุมแต่และกลุ่มได้บอกว่านี่คือสํานักพญายมแหมไปที่ดีเลยเรา ก็ไม่ใช่ดวงดีบุญดีเรียกภาวนาเล่นน้อยพโธสามคนะใช่ใช่นั่นแม่ประคับว่าเพราะเขาบังคับศรัทธาแท้จะไม่มีอ่ะยังได้ขนาดไม่ใช่หลมบอกว่าอะไรโดนอะไรต้นนกยางใช่ต้ีวยางก็ด้บอกคนพวกนี้เคยทำความชั่วให้ก่อนแล้วไปจะสรุกว่าไปแล้วก็ไปทำความชั่วอีกก็กับจับลงโทษใหม่ เลบอกว่าผมอยากจะไปดูครับแต่บอกไม่ได้ถ้าเอ็นไปดูลมีโทษถามว่าเพราะอะไรทักเลบอกว่ า, นาคนที่เขาลาวเโทว่ีอะไรั้งคนดีก็ตามนะทุกอย่างภาวนาแบบเนี้ยถ้าลงไปที่นั่นลึมมโทษหรือว่าคนดีๆความดีลงไไมไล า, า, งลาไม่ได้แล้วไม่ได้เจอังกลับคือผมก็เลยก็เช็คเลยวอกผมกลับไม่ได้ครับไม่รู้ทางจ า, า, า, าไม่ได้จำไม่ได้จริงๆคนตายขาาาเขาไปเข้าป่าเขาล้มตัวไหม แต่เจกเลยบอกเวกแล้วกันทีหลังถ้าต้องการรู้อะไรมาหาลุงที่นี่นะย ไ, ไม่ต้องเรียนชามสมาบาัติแล้ ว, งง ว, งงวแล้วก็ให้คน้ายคนสลังนะเะไอ้ึงไม่รูเด็กสวยเด็กตามมาเอาไปส่งมีตาหน้จะโมโหก็จะบจจับลำรักไปบันไดใช่ไหมตามจหัจับสองขาขึ้นบ่าปั๊บก็วิ่งแมบนี้ขึ้นึงมีลงขึ้นเขาเราก็เนยหลุดใจพอถึงหน้าประตูบ้านจะเสดเพื่อกรหาเจ้าก็ไปหาเห่ยด้วย ก็เลยคุขึ้นมาเพราะฉนั้นว่าตายตลาส่วนมันสามโมงเช้าไปถึงนาทีสองอะไรเนี่ยไอ้สำคัญก็ว่าพระเล่นเรือจแล้วล้ะเอาแล้วนั่งยังนั่งอยู่ที่บ้านเลยไม่ตัดโอ้ว่ากยไหวนะรางก็ม่ลำบานี่เล่นตื่นซะแล้วเวลาเราพุ้งก็ไม่หยุดเราตรคนเป็อนแล้วอธิชาติเฉยนะ แล้วตอนพ่อเข้าเขาร่างดิไ่จำจได้หมดหรือว่าไม่จำได้หมดจำได้หมดทนี้ลว่าที่หลงถ้าต้องการอยากจะรู้อะไรนะก็ไปที่เขานั้นไอทาว่าไปเดี๋ยวพึกพับเปนก็ถึงเลยม่ต้องตายก่อนนะไม่จาเป็นต้องตายไอพีเล่ยไปต่อตายก่อนไอพีเล่ไปต้องตายก่อนไอตัวตายก่อนเนี่ยสำคัญมากถ้ากลับมาด้นะอารมณ์เดิมมาสรงตัวไอยาหนือนพึกพับกรไปไปในรูปเดิมไอรูปิมสวยเลย พอถึงยตดเขาก็ไม่ขึ้นลงลงทักกีมาอยากจะดูสวรรค์ชั้นไหนบยากจะดูเทวดาอันไหนใหญ่คุณน้อยคุไหนถึงนข้างหน้าเจะาง้งแล้วอยู่ใจแต่น้นอ่านหน่ายของท่านนะ <S S S คำว่าลงก็คือท่านลงในบางีเวลานี้ความจริงถ้าบอกท่านเป็นลงจริงจริงเคยเป็นลงมาหลายชาติาที่เดลงเลยนะเนี่ยผมอธิบายบาีนี้อน บ, บอ ก, บอ ก, บอกว่าครอดพร้อมหลวงกลับไปแล้วมันช่วอ่ะคจินเขายังไม่ช่วหรอก บางวันเขาภาวนาบางวันเขาไหว้พระยังทั่วไหมยังไม่ชั่วยังนึกถึงหลวพ่ออยู่ถ้าทำดีนะคนจะรับนมียจากหลวงพ่อไปท่าบ้างนึกถึงหุวงพ่อทุกวันทุกวันไหมแ้วเรียกว่าถ้ารับให้จากวพ่อไปได้เนี่ยไอ้เรื่องอะไรก่นึกถึงพ่อทุกวันเนีเป็นสังฆามนุษตินน่ะท่าะตายแลไปสวรรค์ทันทีแล้วการนึกถึงว่าจากจะท้ยนี่รอไนี่ลอยไปสังฆามันถืกว่าใช่เป็น คุยส่งนึกถึงประสงค์ไงสังข่าวต้นติดเขาติดนึกถึงประสงค์เป็นประสงค์ทีตอนึกอะไรก็ได้จรงจากพูึกถึงตกล้องยานัหวพ่อเป่าพูดพูเห็นกล้องยนัถึงกล้องยานัยงไ่ตายแล้วไปตายแล้วไปเกิดเป็นกล้องไปเอา่ตัวนเกป็นกล้องยานัทยานัทจะมีเป็นกล้องยัิอะไอย่างนี้ครับผมไอ้นี่ก็เป็นขาตนติดเหมกัน เพราะก้ก อ, ก อ, องญาณขาหลวงพ่อจะเรียกว่ามันลงคำหลวงพ่อหลวงพ่อไ ป, ป็รสงใช่ไหมเรียกว่าอะไรนะแต่เจียวหลวงพอ่พอเจียวหลวงพอ่อแล้วพระองค์หน่งก็ตามเหมือนกันเป็นพระธรรมดเหมือนกันถ้าเจียวระรูปองค์ห น, นึ่งเป็นพุทธานิบดีเกียว ก, การเสด็จมุนด้วาคเทศเป็นธรรมานุสติขมาธิิร่อยี่อะไรเปนอ๋อย่ายนิตต่อยเดต่อมีความสาคัญมากประสาทสนตัวเองมาที่พระพจ า, ก, า, าก็ตว่า แม้ทำาือครั้งเลยก็ยน้อยจะทำบ่อยๆเล้าก็สามารถทำบารมีเต็มได้เหมือนนักฝนที่ตกที่ญระที่ยากสามารถทาพันชนาทเต็มได้เห็นไหมอไอเดีกเวลาของพ่อมาปีติดๆมากพ่อไปก็ไหลไปมั่งไหลมามั่งไม่เสียเสียทุกวันฉันรู้นะท่นรู้วันไอ้พูดมานะโกเขาไม่ได้เสียทั้งวันหรอกเขาเสียมั่งไม่เสียมั่งแต่ละเดือนก็เพราะเวล า, าเวลา เสลมันคงไม่ได้แน่เลยนะเรีนผมกับพแล้วคืเป็นพออยู่ใช่ใช่อ่าเพรางั้นก็พ่เป็นคนดีคนหนึ่งใช้ขอแค่หน่คนไมไวอาแ่ต้องแช่ต้องแช่งนลูกไม่ดีนี่ตายแล้วห้ามเกิดจะรู้ถเป็นสวรรค์เป็นเดือดดาลเป็นนางฟ้าไปอ่าต้องยกไว้คนนึงก่อนไหมนี่ใครใช้เอาไปเเอาไปเอนะผ้อน้าภมใจนะ เอาตอบไปเรืเร่องพระเดจจ่าก็มีไม่เชงว่าการรามากว่าอริเจ้าด้วยเจตนาก็ตามไม่เจตนากา็ตามโมโหด้ความตั้งใจก็ตางอยากเรียนถามว่าจะมีจะมีการมากไปก็ลงละลบโดยเจตนาก็ตามไม่ยึแนางเลงเหมือนกันแล้วก็พอฝนด้วยครับในต้องสอบสบายก็อยากเราไปขอขอมากับพระเจ้าแล้สิ ข้าโดยพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปต้องไปพระพุทธร่วาขางหรือว่าไม่จเป็นที่บ้านก็ได้กาขอมานะครับใช่ใช่ใชได้กว่าท่านคือพระพุทธเจ้าเพราะว่าอริยเจ้าจะขอมาตัวรงในตัวไม่ตงลอย่างสมุดยกทงนั้นพระโสดาบันใช่ห่้าว่าไปหลบไไม่มาหนักแน่นเอาตาหนักา่กลัวแบมเอาแต่ล โสดาบันในคำเอกวิธีนะเาะตาบันจนนั่นฝังไม่ตายตัวเหมือนละไที่ตะบันนั่ายไได้หาจายใจมานานแล้วสมมติ่ายกรงแล้โสดาบันเขาไปด่าไปว่าเขาเขาเป็นชาเขาเขาบาปใช่ไหมไปขอเทษตัวตรงเขายกทรงในใน่มีคลต้องขอเทษโดยตรงพระพุทธเจ้าเพราะความโดยโสดาบันไม่มีเกิดจากบทรงเกิดจพระเจ้าทรงเ อย่น <m gr> ั้นทุกข้าต้ประมาท้าก็อีว่าโสดาบันมาบวชเป็นพระอย่างพ่อับโสดาบันจะเป็นระว่าเนี่ย้าพามากโจาคือกันเดี่ยวคือมันคบคือกรเดี่ยวที่คอยสาลมีกีระดับสีลปะาที่เดอแล้วว่าอะไรได้เีเนี่ยก็อว่าขพี่วบ่าเขาเองเนี่ยจะั่วงสองคนเนี่ยไปใกับอาจารย์ทักคนา ไม่เคยบินชาเลยแม้แต่เพลงไม่ให้เล่าสู่กันฟังเลยเขาเล่าโกงเขาขอจริงไม่ได้ยิงาเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นยังไงแล้วที่เขาเป็นอย่างนั้นเป็นล้อเล่นนะติดมาดักจีนแีบไรได้เข็เตรียมรุ่งตัวแล้วเล่าคนอื่นไม่ได้หรอกเห็นไว่าสงคราจริงเขาตกหมดไปโดยใระจน่าจะได้ คารวจะเป็น่าอริยะมีโยะอยากว่าอนี้ก็ได้กันพระโสดาบันน่ไปกันแค่สินก็เลยนะหนึ่งคารวพระพุทธเจ้าสองคารพระธรรมสาคารพระอริยสงฆ์สี่สิบห้าไปสุดองค์พระโสดาบันในต้นนี้พระทัดคาระน่เหรอคารวะพุทธตายแล้วหลพ่อไม่ใช่สวนเจ้ารักรก็สวนอยกยังไม่เสียพระท่านตั้งคางนี่ พี่เดี๋ยวนี้ก็ยังออกอากาศป่าวๆอยู่นะว่าโสดาบันเพิ่มสกายมีต้องตัดขัหน้าโดยเด็ดขาดเอาเรื่อยไหมาตัดหรือเปล่าเดี๋ยวเขาถ้าเสวดาวันเขาตัดขาหน้าโดยขาดเราลองคิดดูเรื่องนั้นสาขาแกเป็นโสดาบันตั้งแต่ยุ7ปี15นะแ่คนเดียวนะอายุ26ปีได้เป็นข้าข่งมีผัว ต่อไปก็มีลูกผู้ชายสิบคนมีลูกหญิงยี่สิบคนลูกทั้งหมดยี่สิบคนตัดได้ไม่ตัดตัดไ้ต่อลูกศจะต่อเพาะว่าเสือดาวดัไเลยชาคามีสองอย่างยังแต่งงานได้ <c oughs> ไปไม่แต่งงานก็แค่นาคามีสึ้นไป เ, เท่านั้นเองไอเทศอย่างนั้นท่านเทพูกของท่านต่ไม่ถูกตามพระเจ้าพิมก อยู่ทารวาที่จะใช้โสดาบันเปแค่สิงหน้าก็ใช่ทั้งแหละเขาเรียกสตะกขึ้นอยู่ที่เาเป็นฆราวาสเขาดีกว่าหลวงวะมีกว่าเยอะครยิงฆราวาสจะพูดตามสวยนะเขาได้เสียกับพระมากหนึ่งเนเี้ยไม่เลือกเวลาสิ่งในสิงครับอาการที่สองเข้าวิกได้เคยเป็นราวามาก่อนเนี่ยอาการที่สามมีผัวมีเมียได้ อาการนี่คือหลับตื่นสายได้ถ้าตื่นสายไม่ได้นะ่ไม่ม้องทำวัดจต์มต้องเรียนกรรมฐ า, านถ้าพลาดลอยเดียวลลพ<ห>ลววพาดลมนรกแต่ว่าสมมติว่ามีปลาตัวน่ะพระมีลาหนึ่งตัวพระว่ามีปาร้อยตัวตัวขนาดเดียวกันพระฆ่าปลาหนึ่งตัวพระว่าฆ่าปลาร้อยตัวพระทษมากกว่าเพราะว่าทรงศีลเป็นบุคคลที่จะบ้าน